ความสนุกเป็นปัใจจัยให้ลูกมีสมา ธ, มาธิเพิ่มขึ้นถามลูกเป็นเด็กสมาธิสั้นมีวิธีอย่างไรจะช่วยให้เขาเรียนรู้ธรรมะได้เด็กสมาธิสั้นจะหาความสนุกได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเราหาความสนุกให้เขาได้ความสนุกนั้นจะเป็นปัจจัยให้เขามีสมาธิเพิ่มขึ้น มุ ม, มองไว้อย่างนี้นะครับความสนุกกับสมาธิมาด้วยกันทีนี้เด็กสมาธิสั้นก็สั้นไม่เท่ากันก็อาจจะต้องใช้วิธีต่างกันอาจไม่มีคําตอบตรงตัวแต่ขอให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าลูกของเราเป็นคนมีบุญลูกมาอยู่ในมือของคนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ในพบนี้ภูมินี้ลูกมาอยู่ในมือของคนที่ตั้งใจว่า อะไระไรจะต้องดีขึ้นสำหรับเขาตั้งความเชื่อไว้ว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราจะเห็นเข้ามาขึ้นเรื่อยๆและจับจุดถูกเองว่าความสนุกของเขาคืออะไรเราอาจจะพาเข้าไปลหลายๆที่ทั้งที่ธรรมชาติทั้งที่เปิดเป็นโรงเรียนสอนเด็กและจับสังเกตว่าแต่ละแห่งที่เข้าไปเขามีความสนุกมากหรือน้อยต่างกันแค่ไหน ตรงนี้จะค่อยๆเข้าสู่ใจของเราเองว่าอะไรคือความสนุกที่เราเอามาป้อนเขาได้ที่บ้านคนเป็นพ่อจะมีสัญชาตญาณรู้ว่าลูกเราน่าจะเข้ากับสิ่งไหนลองทดลองถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียกำลังใจมันจะถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่เพื่อเขาแล้วก็รู้จุดของเขาจากความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรา ซึ่งจะไม่มีใครทําได้ดีเกินกว่าคนที่ตั้งใจจะรับผิดชอบดังนั้นคำตอบก็คือให้ตั้งเป็นความศรัทธาในตัวเองว่าจะหาอะไรเจอในที่สุดหลักการง่ายๆคือความสนุกคือปัจจัยของสมาธิหมาเหตุผู้อ่าน สำหรับเด็กนั้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายมีความสําคัญมากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสมองสมองที่ดีนั้นย่อมมีการหลั่งเคมีในสมองได้สมดุลซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์ไอคิวของเด็กให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ซึ่งเด็กบางคนที่ก้าวร้าวหรือดูว่าดื้อผิดปกตินั้นต่อให้ตีให้ด่าแค่ไหนก็ไม่ได้ผลจึงควรเพิ่มกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายและเป็นสิ่งที่เขาสนุกกับมันด้วย ในเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันคนที่ไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยนั้นจะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือเคมีในสมองหลังผิดปกติดได้ง่ายนำมาซึ่งอารมณ์ที่หดหูได้ง่ายมองโลกแง่ลบยิ่งในยุคที่ต่างคนต่างก็เพ่งมือถือทั้งวันนั้นจะเป็นภาวะที่ทำให้เครียดง่ายสมองหมดตัวและอาจจะเป็นต้นเหตุหลักของโรคทางกายและโรคทางใจต่อมานะครับ ถ้าใครเคยทุกข์ใจมากจะรู้ชัดนะครับว่าการนั่งอยู่นิ่งๆบางทีจะทุกข์หนักกว่าเดิมสู่การไปขยับร่างกายการเดินการวิ่งหรือการออกกําลังกายไม่ได้จะเห็นได้ชัดว่าการขยับร่างกายนั้นทําให้ทุกข์ลดลงได้ง่ายกว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่การปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีการแบ่งเวลาเดินจงกรมเป็นประจําและการเดินจงกรมนั้นก็มีพุทธวัจนะพันนาคุณไว้มากมาย สำหรับคนที่คิดว่าไม่มีเวลาหรือสถานที่ไม่อำนนยนั้นก็สามารถเจริญสติในการเคลื่อนไหวระหว่างวันหรือแม้จำเป็นต้องนั่งนิ่งจริงๆก็อาจจะขยับเท้าหรือขยับมือเป็นจังหวะแล้วเจริญสติไปด้วยก็ได้นะครับ